กายสุจริตเนี่ยเว้นจากกายทุจริตเนี่ยโดยมากเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยก็ล่วงละเมิดไม่ค่อยทําผิดในในขั้นนี้เท่าไหร่นะดูๆนะจะมีใครไหมครับไม่ค่อยมีนะแต่วัจจิทุจริตจะไม่ค่อยแน่เหมือนกันนะวัจจิทุจริตนี่คำหยาบก็ไม่ค่อยมีนะพวกเราผมเชื่อนะนะพูดเท็จก็น้อยไม่มากแล้วแต่ว่า พูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อนี่ถ้าจะเยอะอยู่พูดสอเสียดส่อเสียดก็ไม่รู้ตัวนะเนี่พูดในเขาแตกกันโดยไม่รู้ตัวหรือว่าพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพูดแล้วเขารักเราเนี่ยเนี่ยเป็นการส่อเสียดอย่างหนึ่งนะพูดอีกคนหนึ่งแล้ ว, ลวให้ให้คนฟังนะ่ารักเราอะ่ะเี่ยผสมโลงอะ่ะนี่ก็อีกอย่างนะไม่ใช่งานที่ไม่รู้ตัวหรอกนี่นะ ไอ้นี่วจีสุจริตสีเนี่ยก็ก็ผมว่าต้องมีแต่ว่าพโนมนโนมนโนสุจริตนี่ไม่ใช่ง่ายทีเดียวนะถ้าหากว่าอภิชาอภิชาก็โลภะนะพยาบาทนี่ก็โทสะโทสานี่ถ้าจะบ่อยอยู่นะส่วนสัมมาทิฏฐินี่อืมอยากอยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็หมายความว่ า, วาอเป็นบันไดที่จะขึ้นไป ไต่ขึ้นไปในการเจริญสิปัฏฐานมันต้องผ่านจุดนี้ก่อนเนี่ยเรามาสํารวจตัวเองดูนะครับนะสุจริตสามครับท่านจะมีอะไรต่อไหมครับถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมะไม่ได้สักข้อเลยก็อ่านก็ได้บิดก็ได้อย่าปล่อยจิตให้มันไปเป็นบาปเปล่าๆเล ย, ยได้อย่างน้อยๆวันละสูตรก็ยังดีอ่านดังๆให้ตัวเองฟังวันละสูตรสองสูตรสามสูตรก็ได้ก็จริงมีสูตรที่อ่านพอเข้าใจได้ อ่านแล้วพอเข้าใจได้มีมีเหมือนกันนะถ้ามีศรัทธานะมันอ่านได้ทุกสูตรแต่แหละอ่านเป็นภาษาบาลีคนสวดมนต์เขามีศรัทธาเขาสวดได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงใช่ไหมเพราะเขามีศรัทธาของเราอ่านภาษาไทยก็เหมือนกันถ้าเราไม่ใจร้อนจนเกินไปนักอ่านด้วยศรัทธาอ่านด้วยความเคารพอ่านบ่อยๆเดี๋ยวก็รู้เรื่องเองอหละเพราะฉะนั้นพื้นฐานของการเจริญกุศลธรรมทั้งหมด อยู่เที่ศรัทธาของเราถ้าหากว่าเรามีศรัทธาที่จะศึกษาที่จะอ่านที่จะเรียนรู้พระธรรมมากๆเราก็สามารถที่จะเจริญกุศลธรรมได้อย่างดีแต่ถ้าหากว่าเราศรัทธาเราอ่อนเนี่ยถ้าอย่างงี้ก็ลำบากเหมือนกันแต่ถ้าศรัทธาอ่อนอาหารของศรัทธาก็มีอาหารของศรงัทธาก็คือคบกับคนที่เขามีศรัทธามากๆเราก็จะมีศรัทธาด้วย แล้วก็นี่ที่หนึ่งนะสองก็หลีกเลี่ยงคนที่ไม่มีศรัทธาอันถ้าหากว่าเราไปหาพระสูตรที่เกื้อกูลต่อศรัทธาอ่านแล้วก็ศรัทธาของเราก็จะค่อยๆเจริญพอกพูนมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่ไม่เปิดโอกาสไม่หาปัจจัยจิตของเราก็จะสภาจะไม่เกิดเพราะสรัทาก็มีอาหารมีปัจจัยปัจจัยที่สําคัญของศรัทธาก็คือพวก อุปนิสัยปัจจัยท่นอุปนิสัยปัจจัยของศรัทธาก็คือที่ว่าไปเมื่อกี้ใช่ไหมคบคนที่เขามีศรัทธาและก็หลีกเลี่ยงคนไม่มีศรัทธาศึกษาพระ ส, สูตรที่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดศรัทธาเช่นศึกษาพุทธคุณมากขึ้นถ้าหากว่าพุทธคุณอ่านไม่เข้าใจเลยนะไปอ่านชาดกก็ยังดี ไปศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าสมัยที่เตาะแตะตรงเปงในอดีตซึ่งพยายามลองผิดลองถูกอาศัยสัพพาเข้าว่านะอาศัยพระมหากรุณาธิคุณคิดจะช่วยสัตว์เท่านั้นเองนะลองผิดลองถูกปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกเอ๊ะทำยังไงจะช่วยเหลือสัพพะสัตได้ประทําไปบางครั้งเรียกว่าแทบจะกินน้าค้างแทนน้าก็ได้ ปฏิบัติเพื่อที่จะช่วยสงเคราะห์สัตว์อนุเคราะห์สัตว์ของเรานะถึงเราไม่เข้าใจคุณในด้านอื่นๆก็ขอให้รู้ในพระคุณในส่วนที่ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายหนอทัานเราได้บุญส่วนนี้ก็ยังดีบุญที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยบุญเหล่านี้ก็ไม่น้อยนะท่าน ถ้าเรามีความเข้าใจในพระพุทธคุณอย่างดีบุญเหล่านี้ก็ไม่น้อยเลยั้ผู้ที่มีศรัทธามากๆศรัทธาเหล่านี้ที่เราเจริญขึ้นวันนี้อาจจะยังไม่ได้ไ ด, ดีแต่ก็ไม่เป็นไรศรัทธาเหล่านี้ถ้าหากว่าพาเราไปเกิดในภพภูมิที่ดีเราก็อาจจะได้ดีต่อไปมองไกลๆหน่อยปชาตินี้ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าสมัยก่อนเขาบอกว่า เออท้านี้ยังข้ามไม่ได้คือมีเรือนะเรือเที่ยวนี้ยังข้ามไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอบใหม่แต่ก่กอนที่จะถึงรอบใหม่ก็สะสมทุนไว้เยอะๆหน่อยสะสมบุญไว้เยอะๆอะท่าของพระผู้มีพระภาคพนามว่าพระโคดมเรายังข้ามไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรอพระศีอาริอกรอพระศีอารถ้าพระศีอารข้ามไม่พ้นก็ไม่เป็นไรก็รอไปอีกนั่นแหละ เพราะทำยังไงได้อ่ะอินทรีย์เราอ่อนนะเมื่ออินทรีย์อ่อนมันก็ไม่รู้จะข้ามอะไรใช่ไหมถ้าถามถึงความอินทรีย์อ่อนของเราทั้งหลายนะก็ถามว่าปัญญอินทรีย์ขณะนี้เราเราเกิดไหมกรร ม, มะสักะตาถ้ามีความเข้าใจในเรื่องพุทธคุณนี้ก็เป็นปัญญาได้หรือถ้าดึงปัญญอินทรีย์เข้ามาใกล้ๆตัวเลยเนี่ยเรานึกคิดเหล่านี้เนี่ยมีผลไหม มีนะที่กําลังคิดคิดกันอยู่เนี่ยนะเรื่องอะไรก็ตามเธอเรื่องดีเรื่องชั่วถา้า <c oughs> ความรู้เกิดขึ้นว่าความคิดเหล่านี้เนี่ยมีผลหมดเลยนั่นแหละเราก็จะพอกคูณกุศลให้จิตให้มากๆขึ้นกรรมสักตาก็จะเกิดขึ้นอย่างถึงเจตนาเหล่านี้มีผลนั่นแหละถามว่าเจตนาเหล่านี้มันให้ผลยังไง ต้องไม่ลืมนะเจตนาบางอย่างให้ผลในชาติชาตินี้จริงๆริงเจตนาดวงที่หนึ่งซึ่งมีกําลังมากให้ผลในชาตินี้ได้เลยเจตนาดวงที่เจ็ดให้ผลในชาติหนะ้าเจตนาดวงที่สองถึงดวงที่หกให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปแตกอันนั้นมันดูไกลแต่เจตนาทั้งเจ็ดดวงสามารถเป็นอุปนิสัยปัจจัย ให้วิบากจิตเกิดขึ้นอะไรอันเจตนาในวิถีจิตทั้งหลายและสา ม, มารถที่จะเป็นปัจจัยให้วิบากทางตาที่ดีเกิดขึ้นก็ได้ที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ได้ชาวนะนั่นแหละทำให้วิบากทางหูที่ดีเกิดก็ได้ชาวนะก่อนก่อนวิบากนะชาวนะนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้โศตะวิถีเกิดไม่ดีก็ได้ดีก็ได้เช่น ชาวนะจิตมันเกิดขึ้นมันทําจิตตชัรูบด่าคนอื่นไงโสตากิญญาณได้ยินเสียงนี่ไม่ดีทันทีไหมเขาสวนมาไงใช่ไหมชาวนะจิตเกิดขึ้นทําจิตตชัรูบไปต่อยหน้าใครสักเปี้ยงหนึ่งเข้ามาเขาสวนทันทีเลยพับเข้ามาอันเนี้อกุศสวุบาสเกิดให้ผลได้ง่ายๆอันนี้ชาวนาจิตก่อนเนี้เขาเรียกว่าเป็นประโยชคะเป็นประโยคะที่จะให้กรรมให้ผลเพราะฉะนั้นชาวนะทั้งหมดเป็นประโยชน์คะให้ ทวปัญจวิญญาณจิตสิบเกิดอันวินปัญจวิญญาณจิตสิบอยากอยากให้เกิดที่ขาไหมลองกระดิกขานะนอนกายญวิญญาณไปเกิดที่ขามันอยู่ที่ส่วนหนึ่งนะชาวาวิบากจิตอาศัยชวนะเป็นอุปนิสัยปัใจจัยให้เพราะฉะนั้นอาชาวนะที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยคนผู้ฉลาดคนผู้มีปัญญาในขณะเดียวกันเขาเจริญกุศลด้วย จเจริญกุศลเพื่อนานาคัคคินิกะกรรมะในต่อไปข้างหน้าด้วยแล้วก็จเจริญกุศลเพื่อเป็นประโยค้าให้ทวิปัญจะที่ดีอ น, นะเฉพาะกุศลวิบากที่ดีเกิดขึ้นด้วยอะไะอันถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องกรรมสกตามมากขึ้นเราจะเห็นคุณค่าของความคิดมากขึ้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าประมาจจิตตุบาทเรว่า อย่าประมาทหนึ่งความคิดแบบนั้นเด้อว่าความคิดเหล่านั้นจะไม่มีผลถ้าความคิดอันนั้นถ้าตั้งเป็นกุศลจะไปดีถ้าตั้งเป็นอกุศลก็มีโทษมากมายมหาศาลฉะนั้นจิตตุบา ท, ที่ตั้งว่าจะไม่เบียดเบียนสัตว์เป็นต้นจิตตุบาต ท, ที่ตั้งเพื่อที่จะมีศีลเรียกว่าที่จะสมาทานกุศ ล, ลกรรมบทสิบจิตตุบา ท, ที่ตั้งให้เจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งจิตตุบาตเหล่านี้เนี่ยมีผลมาก ยิ่งมีผลมากขึ้นต่อเมื่อมีกายกรรมมีวจีกรรมที่เป็นไปตามจิตุบาสนั้นด้วยก็จะมีผลมากมีอ น, นิสงส์มากซึ่งเราท่านทั้งหลายสา ม, มารถที่จะเจริญได้นะเราก็คิดอยู่แล้วง่ายก็คิดไม่คิดได้ไหมโอ้ทำถ่าคนที่ไม่คิดเลยนะคือพระที่เข้านิโรธสมาบัตินะคนเป็นที่ไม่คิดคือพระที่เข้านิโรธสมาบัติ ถึงหลับก็คิดธรรมชาติของจิตอรราริมมะนังจินเตติติตจิตตังธรรมชาติที่ที่ชื่อว่าจิตเพราะธรรมชาติที่คิดก็คือรู้อารมณ์นั่นเองอะไรควรรู้อะไรไม่ควรรู้ตรงนี้ถ้าคนที่มีสัมมาทิฏฐิจะตั้งตั้งเอาไว้ที่จิตนั่นแหละพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะส่วนใหญ่จริงๆก็เอาเรื่องจิตเป็นเป็นหลัก อย่างเช่นในคาถาธรรมบทใช่ไหมทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สาเร็จแล้วแต่ใจถ้าหากว่าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายใจที่ถูกโทษประทุษร้ายคือใจที่ประกอบไปด้วยอภิชาใจที่ประกอบไปด้วยพยาปาทะใจที่ประกอบไปด้วยมิจฉาทิฐิใจชนิดนี้เรียกว่าเป็นใจที่โทษประทุษร้าย เมื่อใจที่มีโทษประทุสราอย่างนี้เขาพูดก็าตามเขากระทำก็าตามโทษย่อมติดตามตัวเข้าไปเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคชนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตที่ไม่ดีคำพูดก็เป็นวจีทุจริตต่างๆถ้าหากว่าจิตที่ไม่ดีกายกรรมก็เป็นกายกรรมที่ไม่ดี เมื่อกายกรรมไม่ดีวิจีกรรมไม่ดีบาปมันก็ตามตัวเราไปนั่นแหละมันก็เหมือนกับคนแบบทับพผสมภาระนะนะถ้าถ้าสมัยก่อนเขาลากเกวียนเนี่ยวัวเทียมเกวียนมันเห็นภาพเยอะนะมันอาจจะชัดหน่อยถ้าสมัยนี้ก็คนที่หอบทระผสมภาระไปด้วยนะลากนะโครงเพลงครงเพลงครงเกรงไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะขนไปทาอะไรนั่นแหละ ว่ตาต่สงสารเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงจนะมีเจตนานั่นแหละเป็นตัวกระตุ้นตัวกระตุ้นเตือนตัวชักชวนั้นถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเห็นโทษของเจตนาเหล่านี้เป็นการเจริญกุศลเพื่อตัดกรรมเขาบอกว่ากรรมดําให้ผลมีทุกขมีโทษกรรมขาวให้ผลเป็นสุขแต่กรรมขาวบางอย่างเป็นไปเพื่อกรรมไม่ดําไม่ขาวกรรมเหล่านั้นก็เป็นประเภท วิปั ส, สนาอันวิปั ส, สนาถ้าเรามีศรัทธาที่จะเจริญ<ม>ก็เจริญไม่ยากนักหรอกนีก็คือถ้าเรามีศรัทธาที่จะคิดตามพระพุทธเจ้าได้นะเราก็แสดงว่าเราก็เจริญวิปั ส, สนาได้ถามว่ากล้าคิดตามท่านไหมล่ะ <c oughs> ถามว่าคิดยังไงคิดตามสัมปจัญญะสี่คิดตามปริญญาสาม หรือไม่ก็คิดตามฉะฉกระสูตรเป็นต้นคิดตามมหาส ต, ติประฐานสูตรคิดตามนี้บ่อยๆมากๆเดี๋ยวมันก็เป็นเองอ่ะนั่นแหละก็คือถ้าเรามีศรัทธาในธรรมคุณว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงตรัสไว้ดีแล้วใช่ไหมเอามาท่องเอามาจำเอามาท่องบนสาทยายบ่อยๆคิดบ่อยๆก็ทำให้เราเข้าใจได้อะนะ ขอต่อข้อความในพระสูตรเมื่อคืนก็คือมหาสีหนาสูตรในคัมภีร์มัชิมนิกายมูลป น, นาตวันนี้มาขึ้นข้อ177ว่าด้วยพรหมจันทร์ประกอบด้วยองค์สี่ดยก่อนสารรบุตรอันหนึ่งเราย่อมเข้าใจประพฤติพรหมจันทร์ประกอบด้วยองค์สี่คือเราเป็นผู้บำเพนตบะ และเป็นเยี่ยมกว่าผู้บำเพ็ญตบะทั้งหลายเราประพฤติเศร้าหมองและเยี่ยมกว่าผู้ประพฤติเศร้าหมองทั้งหลายเราเป็นผู้เกลียดบาปและเป็นเยี่ยมกว่าผู้เกลียดบาป ท, ทั้งหลายเราเป็นผู้สงัดและเยี่ยมกว่าผู้สงัดทั้งหลายผมาจารย์ที่ประกอบด้วยองค์สี่นะหนึ่งบำเพ็ญตบะสองประพฤติเศร้าหมอง สามเกลียดบาปสี่เป็นผู้สังัดตรงนี้ก็พระองค์เล่าเป็นข้อความที่เมื่อเก้าสบเอ็ดกัที่แล้วนะข้อความ น, นี้กล่าวถึงเมื่อเก้าสบเอ็ดกัที่แล้วว่าดูก่อนสารีบุตรบรรดาพรหมจันทร์มีองค์สี่นั้นอนะวัดต่อไปนี้เป็นพรหมจันทร์ของเราโดยความที่เราเป็นผู้บัาเทนตะบะคือเราเป็นอาเจลก นักบวชเปลือยเป็นคนเปลยไร้มารยาทเลียมือเข้าเชิญให้มารับภิกษาก่อใหม่มานะไอ้ประพฤติตัวแบบนักบวชชนิดนี้นะพระโพ ธ, ธิสัตว์ท่านเคยบำเพ็ญมาเวลาเข้าเชิญให้มารับภิกษาก่อใหม่มาเข้าเชิญให้หยุดก่อนใหม่หยุดไม่ยินดีภิกษาที่เขานํามาให้ไม่ยินดีภิกษาที่เขาทําเฉพาะ ไม่ยินดีภพิกษาที่เขานิมนต์ก็คือที่เขาเชื้อเชิญเรานั้นไม่รับภพิกษาปากหม้อไม่รับภพิกษาจากหม้อเข้าไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมธรณีประตูให้ไม่รับภพิกษาที่บุคคลยืนคร่อมท่อนไม้ให้ไม่รับภพิกษาที่บุคคลยืนคร่อมสากให้ไม่รับภิกษาที่คนสองคนผู้กำลังบริโภคอยู่ไม่รับพิกสาของหญิงมีคัน คนทองมาใส่บาตรนี่ไม่รับคืออันนี้เป็นนักบวชแก้ผ้านอกาศาสนานะอะซึ่งพระโพธิสัตว์ท่านเล่าว่าท่านเคยประพฤติแบบนี้มาไม่รับเษาของหญิงผู้กําลังให้ลูกดูดนมไม่รับกษาของหญิงผู้คลอเคลียบบุตรไม่รับิกษาที่นัดแนะการทําไว้ไม่รับกษาในที่ซึ่งสุนัขได้รับเลี้ยงดูไม่รับเษาในที่มีแมลงวันแต่ตอมเป็นกลุ่ม ไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรยัยแล้วก็ไม่ดื่มยาดองเรานั้นรับพิกษาที่เรือนหลังเดียวเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวคำเดียวบ้างรับพิษาที่เรือนสองหลังเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวสองคำบ้างโอ้รับทั้งสองบ้านนะทานแค่ั้นแค่สองคำถ้าหากว่าสบ้านก็ต้องสคำา5าบ้านก็หคํากบ้านก็6คํา7บ้านก็7คํา เยียวยาอัตภาพด้วยพิกษาในถาดน้อยใบเดียวบ้างส uh, องใบสมใบสี่ใบห้าใบหกใบเจ็ดใบนะไอ้ถ้วยเล็กๆอ่ะทายาเครื่องเส้นอ่ะนะไปเห็นเครื่องเส้นของคนคนคนจีนนะถ้วยเล็กๆนั่นนหะนะกินอาหารที่เก็บไว้ค้างไว้วันหนึ่งบ้างนะเก็บอาหารค้างคืนนั่นสองวันบ้างสามวันบ้างสี่วันบ้างห้าวันบ้างหกวันบ้างเก็บนะเอาข้าวมาก็เก็บไว้เจ็วันค่อยค่อยกินนี เป็นผู้ประกอบความขวนขวายในการบริโภคพัตตาหารที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเช่นนี้บ้างเรานั้นเป็นผู้มีผักดองเป็นผักษาบ้างมีข้าวฟ่างเป็นผักษามีลูกเดือยเป็นผักษามีกากข้าวเป็นผักษามียางเป็นผักษามีสาหร่ายเป็นผักษามีรำเป็นผักษามีข้าวตังเป็นผักษามีกํมยานเป็นผักษา มีหญ้าเป็นผักษาไม่รู้เอาหญ้าชนิดไหนไม่นู้นะหญ้าจีนหรือเปล่าไม่รถ้าหญ้าจีนก็เป็นยาสินะมีโคไมเป็นผักษาบ้างไอ้ตรงนี้นี่แหมเรียนแบบไม่ได้เลยโคไมแปลว่าสําเร็จมาจากโคก็คืออุจจระวัวเรียนแบบไม่ได้เลยถ้าอีสานนี่เขากินเพี้ยกันเพี้ยวัวก็คืออ ท, ที่ที่มันติดติดอยู่ในนั้นแล้วก็เอามาต้มอะนะหาได้ เนะี่ยงแข่งก็คือเขาแบบในไส้อ่ะในไส้มันมีพวกอุจจระใช่ไหมก็ เ, เอาไปต้มทําเป็นอาหารก็ อ, อร่อยกันนะมีเงาและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นเยียวยาอัตภาพเรานั้นทรงผ้าป่านบ้างผ้าแกมบ้างผ้าห่อศกบ้างผ้าบางสกุลบ้างผ้าเปลือกไม้บ้าง หนังเสือบ้างหนังเสือทางเล็บบ้างผ้าคากรองบ้างผ้าปอบ้างผ้าผลไม้บ้างเอาผลไม้บางอย่างมาทอเป็นผ้าผ้ากำพลทําด้วยผมคนบ้างเอาเส้นผมเนี่ยมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มผ้ากำพลทําด้วยขนสัตว์บ้างผ้าทําด้วยขนปีกนกเขาบ้างเป็นผู้ถอนผมและหนวดคือประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบ้าง เป็นผู้ถือยืนคือห้ามอาสนะบ้างเป็นผู้กระโยงคือประกอบความเพียรในการกระโยงคือเดินกระโยงก็คือเดินเหยียบเท้าไม่เต็มอะ่ะนั่นแหละกระโยงหน้ากระโยงหลังเป็นผู้นอนบนหนามบ้างคงจะเจ็บอ่ะเนาะก็คือสำเร็จการนอนบนหนามเป็นผู้ประกอบความขวนขวายในการลงอาบน้ำวันละสามครั้งบ้างอาบน้ำทุกหน้าวันละสามครั้งอาบล้างบัตเพราะมันเป็นลัทธิศาสนา เป็นผู้ประกอบการพวนควายใ น, ในการย่างและการบ่มกายมีประการไม่ใช่น้อยเห็นปานี้ด้วยประการชนนี้ทั้งผิงไฟทั้งวันเนี่ยย่างกิเลสอย่างเงี้ยอันข้อปฏิบัติเหล่านั้นซึ่งพระองค์นั้นได้เคยประพฤติมาดูก่อนสาริบุตรนี่แหละเป็นพรหมจรรย์ของเราโดยความที่เราเป็นผู้บําเพ็ญตะบะนะซึ่งอาการบําเพ็ญตะบะอย่างนี้เนี่ยซึ่งพระองค์เคยบําเพ็ญเมื่อเก้าบกัปที่แล้ว เ ร, <c oughs> เราจะสังเกตเห็นว่าบุคคลเหล่านี้ใจไม่ใช่ใจเด็ดขาดใจเด็ดเดียวนะครับดูเ<แ>จนค่ะ <พา S 2> นะเ พ, พราะว่าเขาเห็นว่าการกระทําจริงเหล่านี้เป็นเรื่องการขัดเกลา <แจ S 1> กิเลสใช่ไหมครับให้เราฟังฟังดูแล้วเหมือนคนบ้า น, นะ แ, <จ S 1> แต่จริงๆแล้วเขาเขามีความเห็นว่าเป็นการขัดเกลากิเลส อ, อย่างยิ่งถ้าผู้ใดทําอย่างนี้ได้ซึ่งทําไม่ใช่ง่ายนักใช่ไหมครับเจนค่ะ เขาถือว่าการกระทําเหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติของเขาเขาถือว่าเป็นบุญเมื่อเขาถือว่าเป็นข้อปฏิบัติและเป็นบุญเนี่ยเขาจะตั้งใจทําอย่างจริงจังมากเมื่อเขาตั้งใจทํานั้นเขาจะเอาชีวิตนั่นแหละเขา้าเข้าแลกในสิ่งนั้นๆ น, น, นั่นแหละอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้บําเพ็ญตะบะซึ่งพระองค์บอกว่าแบบนั้นพระองค์ก็เคยทําแต่ว่าเมื่อเก้าสิเอ็ดกับที่แล้วนะดูการสารบุต บรรดาพรหมจันทร์มีองค์สีนั้นพรหมจันทร์นี้เป็นวัดในการประพฤติเศร้าหมองของเรามนทินคือลุทุลีละ อ, องสังสมในกายนับด้วยปีไม่ใช่น้อยไม่เคยอาบน้ำเลยมันร้ายปีดีดักจนเป็นสะเก็ดเปรียบเหมือนตอตะโกมีทุลีละ อ, องสังสมนับด้วยปีไม่ใช่น้อยจนเกิดเป็นสะเก็ดชั้นใด มนทินคือธุลีละองสั่งสมในกายเรานับด้วยปีไม่ใช่น้อยจนเกิดเป็นสเก็ดชั้นนั้นเหมือนกันทําได้ไมัน ไ, ไม่อาบน้ําสักสิบปีเงียนะมันเป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งไงนะบอกว่าสมาทานไม่อาบน้ํามีเพื่อนอยู่องหนึ่งเขาไปเข้ากรรมฐานแห่งหนึ่งเขาไปปฏิบัติหนู่มเขาบอกอุ ก, กริดมากเลยไม่อาบน้ําตั้งนานจน ม, นมันมันออกขุยแล้วมันออกขุยบางครั้งเนี่ยเพี้ยนมากก็ ยังเอาปัดสาวะที่เยี่ยวนํมารดอาไปอีกโอ้มันก็ขนาดนะมีเพื่อนองหนึ่งเ้าก็ทลาลักษณะนี้เขาก็น่าดูเหมือนเาก็เออเราก็นึกว่ามีเฉพาะในคมภีบบางคนเนี่ยทำจนถึงกับบ้าเลยก็เพี้ยนไปหลายคนเลยดูก่อนสารีบุตรเราไม่ได้คิดที่จะลูบคลาปัดละอองธุลีนี้ด้วยฝ่ามือดูก่อนสารีบุตร แม้ความคิดอย่างนี้ไม่ได้มีแก่เราเลยดูก่อนสารีบุตรนี่แหละเป็นวัดในความประพฤตเศร้าหมองของเราใครจะกล้าคิดขนาดนี้นะทำตัวเรียนแบบสัตว์บางอย่างซึ่งไม่เคยอาบน้ำเลยนะก็คือเขาถือว่าถ้าลองปฏิบัติดูแต่พระโพธิสัตว์นี้เป็นลักษณะที่อยากลองมากกว่าคือเ ป, เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในการทดลองอะลองดูเขาว่าอย่างนี้ดีจะลองดู ไปทำให้มันสุดเลยเสร็จแล้วก็กลับหลับแต่ทีนี้สัตว์ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้กลับตัวมีโอกาสลองแต่ไม่มีโอกาสกลับแต่พระโพธิสตัตว์เนี่ยท่านลองแล้วท่านได้กลับตัวได้ดูกานสารีบุตรบรรดาพรหมจันท ร, ร์มีองค์สี่เหล่านั้นพรหมจันท ร, ร์นี้เป็นวัดในความประพฤติเกลียดบาปของเราเรานั้นมีสติก้าวไปข้างหน้ามีสติถอยกลับความเอนดูของเราปรากฏเฉพาะ จนกระทั่งในหยดน้ําว่าเราอย่าได้ล้างผลาญสัตว์เล็กๆที่อยู่ในน้ําในที่อันไม่สม่ําเสมอเลยดูก่อนสารีบุตรนี่แหละเป็นวัดในการประพฤติเปรียดบาปของเราอันเขาบอกว่าอย่างนี้ก็เป็นมีสัตว์อยู่ในนี้นะน้ําทุกหยดเนี่ยเป็นสัตว์เขาถือว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนนั้เขาจะเอาค่อยๆสารวมมากเลยเพราะเขากลัวจะไปบาปจะไปทําลายสัตว์ แม้แต่เดินจะไปเหยียบน้าเหยียบอะไรเนี่ยก็ต้องค่อยๆทำเดี๋ยวมันจะเจ็บเดี๋ยวพวกน้ำมันจะเจ็บเดี๋ยวเราจะบาดอย่ไหเขาถือว่าสิ่งเหล่านั้นมีชีวะวะงั้นมันก็จะค่อยๆสํารวมอย่างมากดูการสาริบบรรดาพรหมจันทร์มีองค์สี่เหล่านั้นพรหมจันทร์นี้เป็นวัดในความสงัดของเราเรานั้นเข้าไปอาศัยป่าชายป่าแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ในการใด เราไดพ้พบคนเลี้ยงโครหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์หรือคนหาหญ้าหรือคนหาฟืนหรือคนเที่ยวหาผลไม้เป็นต้นในป่าจากชัดไปสู่ชัดจากที่ลุ่มไปสู่ที่ลุ่มจากที่ดอนไปสู่ที่ดอนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราคิดว่าคนเหล่านั้นย่าได้เห็นเราเลยและเราก็ย่าได้เห็นคนเหล่านั้นเลยคือสมาทานไปอยู่ในป่าใช่ไหม ถ้าหากว่าเห็นคนปั๊บจะต้องเข้าไปลึกลึกกว่านั้นอีกถ้ายังมีคนตามเข้าไปพบอีกจะเข้าไปให้มันลึกยิ่งกว่านั้นอีกอย่างนี้เรียกว่าชอบความสงัดเหมือนกันให้มันเงียบที่สุดเลยแม้แต่คนก็ยังไม่ได้ไม่เห็นไม่ได้ยิน